จังหวัดอ่างทองมีผู้ชายคนหนึ่งแกเลี้ยงเป็ดอยู่ประมาณ3 0 0พตัวและทุกเช้าเนี่ยแกก็ต้องพาเป็ดทั้ง 3,000 ตัวเนี่ยขึ้นรถเพื่อไปปล่อยที่เบึงแห่งหนึ่งเป็ดที่ว่านี่นเป็ดไล่ทุ่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็สามารถจะปล่อยมันเป็นอิสระแต่มันก็ ไปไม่ไกลนะก็อยู่หากินตามบึงที่ว่าตกเย็นสี่โมงเย็นแกก็มารับเป็ดเหล่านี้เนี่ยกลับขึ้นรถแล้วก็พากลับไปที่เล้าของแกทั้งหมดนี้เนี่ยแกทำคนเดียวนะไม่มีลูกมือ แล้วก็ไม่มีลูกจ้างแล้วก็ไม่มีสัตว์เลี้ยงคอยช่วยด้วยเช่นม้านะใล้แกทำได้ยังไงนะสารแกรมเป็นเรื่องง่ายมากว่าเป็ดทั้งสามพันตัวเนี่ยจะเรื่อมันรู้หน้าที่ก็ได้ถึงเวลาขึ้นรถนะมันก็ขึ้นรถอย่างเป็นระเบียบและรถของแกเนี่ย เนื่องจากจะต้องบรรทุกเป็ดทั้ง3 0 0พตัวไปในคราวดเดียวกันก็เลยทำกรงนะประมาณ 3-4 สชั้นถ้าเป็ดมันก็รู้นะว่ากรงของมันอยู่ตรงไหนถ้ากรงบนสุดนะเป็ดเขาก็จะมายืนรอ ที่บันไดซึ่งเป็นไม้ไม้พาดไม้พาดกับประตูของกรงต้องก็เดินไปเดินขึ้นเข้ากรงไปถ้ายังไม่ถึงคิวของเป็ด ต, ตัวอื่นเนี่ยมันก็รอจนกระทั่งกรงบนเต็มละชั้นที่หนึ่งเต็มอ่าชั้นที่สอง ที่อยู่ประจำกรงนั้นมันก็ได้คิวก็ขึ้นไปพอชั้นที่สองเต็มชั้นที่สามก็เป็นเป็ดที่เขาอยู่ประจากรงนั้นเนี่ยได้เวลาก็ขึ้นไปมันรู้หน้าที่ขึ้นรถอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่มีการแย่งกันไม่มีการผิดคิวพอไปถึงบึงก็ไปลงทีละกรงทีละกร ง, ลกลงแล้วมันก็พากันไปเล่นน้ำในบึงก็หาอาหารแล้วก็เล่นน้ำในบึงนั้นทั้งวัน ไม่มีการหนีไม่มีการาแตกข้อสีบวงเย็นเจ้าของขับรถมารับเปิดมันก็รู้นะเร่ก็จะมีหัวหน้าเนี่ยคิดว่าเป็นหัวหน้านะเดินนำตัวนึงก็เดินที่จริงเรียกว่ายน้ำตามอยู่ก็พูน้ำตาม เป็นแถวเลยพอขึ้นฝั่งได้มันก็เดินไปที่รถถึงแม้ว่าจะออกันนะอยู่ที่บันไดแต่ว่าทุกตัวก็รู้ว่าคิวของตัวเองไม่เมื่อไหร่ตัวที่อยู่ประจำตรงบนสุดก็ขึ้นก่อนเดินเป็นแถวพอกงเต็มแล้วเนี่ย กรงที่อยู่ระดับ2ล่างลงมาก็เปิดมันเปิดอยู่แล้วนะตัวเป็ดที่รุ น, นระชิลู่ว่ามันอยู่ประจํากรงไห น, นก็ขึ้นไปเจ้าของไม่องทําอะไรนะก็รอรอให้แต่ละตัวเนี่ยมันขึ้นไปประจํากรงจนครบสามพตัวแล้วเขาก็ขับรถกลับบ้านแล้วก็ปล่อยเป็ดทั้ง3ามหนตัวนี่ เข้าเล้าทานี้ทุกวันก็มีสถานีมีรายการข่าวช่องหนึ่งก็ไปถ่ายดูพฤติกรรมของเป็ดนะว่าเ่อมันเป็นระเบียบจังเลยมันรู้หน้าที่ไม่ต้องมีคนมาบอกแล้วก็ต้องไม่มีการ ขับไล่ใช้ไม้ไล่ไม่มีมันรู้หน้าที่ทไม่ว่าจะเป็นเป็ดที่อายุมากคือ6เดือนหรือเป็ดที่เพิ่งเพิ่งฟักออกมาอายุไม่กี่วันก็คงจะเรียนรู้จากรุ่นพี่นะ พอเป็ดยังเป็นสัตว์สังคมเห็นรุ่นพี่ทำตัวรุ่นน้องก็ทำตามแต่ว่าทำอย่างเป็นระเบียบเดินเรียงหนึ่งนะพอถึงเวลาจะเข้ากรงแม่จะออกันแน่นนะเป็นร้อยตัวแต่ว่าก็ไม่มีการแซงคิวกันตัวที่ อยู่กองล่างก็รอให้ตัวที่อยู่กองบนขึ้นก่อนเพราะอันนี้เนี่ยาชาบ้านคนนั้นเนี่ยจึงสามารถที่จะเลี้ยงเป็ดทั้งสามพันตัวได้โดยที่ไม่ต้องมีลูกน้องไม่ต้องมีลูกมือไม่ต้องมีหมามาช่วยกับมาช่วยไล่แล้วคนเห็นเขาก็ชมนะว่าโอ้ยเป็ดมันเป็นระเบียบอย่างนี้ แล้วก็อดพูดไม่ได้ไว้คนเราน่าจะเป็นอย่างนี้บ้างนะหรือบางทีก็เพู่วันเนี่ยเป็นมันเก่งกว่าคนสิ่งนะเป็นระเบียบเรียบร้อยกว่าคนสิอันนี้ก็มีส่วนจริงนะเพราะว่าหลายแห่งหลายที่เนี่ยอย่าว่าแต่ระดับพันคนแค่ระดับร้อยเนี่ยเวล า, ามีการแจกของก็บอกว่า ไม่เป็นระเบียบเลยเดี๋ยวว่าแต่อะไรเลยเวลาตรรมาไปบรรยายแล้วจะสุดท้ายจะแจกหนังสือเนี่ยคนมี่พอรว่วจะแจกหนังสือก็รว่วหนังสือนี่มีพอทุกคนแต่ก็อมาออกันแทนที่จะเข้าคิวเป็นแถวมาออกันเพราะว่ากลัวว่า ถ้าได้ชีหลังนะอาจจะอดต้องมาช่วงจริ ง, งเพื่อให้ได้นังสือก่อนเรียกว่าความอยากมันท่วมทนใจนะจึงต้องรีบมารับนังสือเนี่ยเป็นคนแรกๆเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยไม่มีการเข้าคิว ที่ทั้งที่คนที่มาฟังการบัญญายนี่ก็สนใจธรรมะนะแล้วก็รู้นะว่าสติเป็นเรื่องสำคัญแต่ว่าพอจะแจกของแจกหนังสือนี่เราลืมเนื้อ ล, ลืมตัวหรือว่ามาออกันโดยที่ไม่เป็นระเบียบอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เห็นได้ทั่วไปก็เลยมีคนพูดว่าเนี่ยไม่เป็นมัน เก่งกับคนสิ่งนะเป็นระเบียบรู้หน้าที่รู้ลำดับคนสู้เป็ดไม่ได้จริงๆคนเราก็สามารถจะฝึกให้มีระเบียบอย่างนั้นได้เหมือนกันนะอันนี้ถ้าพูดอย่างแฟร์ๆเนี่ยแต่ว่ามันต้องมีการฝึก บางทีเราเห็นคนที่ผ่านการฝึกมานี่ก็เป็นระเบียบกันอย่างน่าทึ่งนะเวลาเดินพาเรดโดยเพราะาทหารเนี่ยฝึกมาคนจะเป็นระเบียบมากยิ่งการเดินพาเรดสวนสนามของประเทศอย่างจีนรัสเซียเกาหลีเหนือเนี่ยโอ้คนี่จะเห็นเลยก็เดินเป็นระเบียบ สวนสนามกันอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็มีพลังมากอม่ว่าแต่สวนสนามเลยนะเวลาจัดอีเวนต์บางรายการเนี่ยอย่างเช่นเปิดกีฬาโอลิมปิกของจีนเนี่ยคนนี่ตื่นตะลึงมากนะเพราะว่านักแสดงสามสี่พันคนบน ในสนามฟุตบอลนี่เาขาเคลื่อนไหวกันเป็นจังหวะเหมือนกับ เ, เป็นหุ่นยนต์เลยทีเดียวจังหวะจกโคนนี่พร้อมเพรียงกันอย่างไม่มีทิศติในแง่อีกหนึ่งเนี่ยคนเราก็สามารถจะฝึกให้มีระเบียบได้เหมือนกันนะ จะว่าไปจะว่าคนเรามันด้อยกอดเป็ดมันก็คงไม่เชิงเพียงแต่ว่าคนเราเนี่ยจะมีความคิดเห็นเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะฝึกให้เป็นระเบียบถ้าไม่ได้ฝึกมาก่อนนี่มันก็คงไม่เป็นระเบียบเท่าไหร่ ที่จริงถ้าเรามามองดูนะการการที่คนเราทำอะไรเป็นระเบียบเนี่ยมันเป็นเรื่องดีนะแต่ถ้าคนเราเนี่ยจะใช้ชีวิตเป็นแบบแผนอย่างเป็ดเนี่ยเป็ดไล่ทุ่งสามพันตัวเนี่ยมันคงไม่ดีเท่าไหร่มนุษเราเนี่ยมีความคิดมีสติปัญญา ทำให้เราสามารถที่จะมองไปข้างหน้าคาดการอนาคตได้หรือรู้ว่าทำไปเพื่ออะไรเป็นไล่ทุ่งสามารัรรทุเนี่ยแม้ว่าจะมีพฤติกรรมที่เป็นระเบียบหน้าทึ่งมากแต่คงไม่มีสักตัวนะที่เฉลียวใจว่าปลายทางของมันคืออะไร ผมมีสักตัวที่รู้ว่าเนี่ยพออายุนะพอโตได้ที่แล้วเนี่ยก็ต้องถูกจับไปเชือดหรือว่าถูกจับไปขายมันไม่เคยมีความคิดแบบนี้ว่าที่มันเป็นระเบียบเรียบร้อยเนี่ยสุดท้าย ปลายทางเนี่ยมันคืออะไรแต่คนเราเนี่ยสามารถจะรู้นะว่าปลายทางของเราเนี่ยมันคืออะไรอาจจะไม่ใช่ถูกจับไปเชือดเหมือนเป็ดเหมือนไก่แต่เราก็รู้ว่าปลายทา ง, งเราคือความตายเป็ดนี่มันไม่รู้นะ มันไม่รู้แม้กระทั่งว่าเดี๋ยวว่าแต่ความเดี๋ยวว่าแต่จับไปเชื่อดเลยมันยังไม่รู้แม้กระทั่งว่าสุดท้ายมันก็ต้องตายเพราะน้นในการที่เป็ดเนี่ยมันจะมีพฤติกรรมที่เป็นระเบียบนะยังไรเนี่ยจะว่าไปามันก็สู้คนไม่ได้เพราะคนเรารู้ว่า สุดท้ายปลายทางขอ ง, ของชีวิตเราเนี่ยมันก็คือความตายและถ้าเรารู้ว่าเนี่ยจุดหมายปลายทางของเราเนี่ยก็คือถูกจับไปเชื่อก็คงจะไม่อยอมง่ายง่างจะเดินไประเบียบเรียบร้อยวันแล้ววันเล่าก็คงจะมีคนสงสายว่าทำไปทําไมที่จริงการที่คนเรารู้ว่าสักวันหนึ่งคนเราต้องตายเนี่ย มันก็ทำให้หน้าสงสัยหรือเกิดคำถามขึ้นมาว่าแล้วเราสมควรจะอยู่ไปวันๆหรือเปล่าไปสามวันตัวเนี่ยจะว่าไปมันก็มันก็อยู่ไปวันๆหนึ่งนะทุกชา้าก็ตื่นขึ้นมาขึ้นรถพอมาถึงบึงก็ลงจากรถไปเล่นน้ำในบึงหาอาหาร ซักไซขนพอสี่โมงเย็นก็ทยอยกันเดินขึ้นรถกลับเล้แล้ววันลงขึ้นก็ทำเหมือนเดิมแล้วสุดท้ายพอโตถึงที่ก็ถูกจับขายหรือไม่ก็ถูกเอาไปเชือดมันคงไม่ใช่ชีวิตที่ดีแน่แน่ นะแล้วคนเลาคงจะไม่ปรารถนาจะใช้ชีวิตแบบนั้นแต่ก็มีคนจำนวไม่น้อยนะที่อาจจะใช้ชีวิตแบบนั้นคล้ายๆกันอยู่ไปวันๆเพียงเพื่อที่จะรอวันตายหรือว่า อยู่ไปตามกดตามเกณฑ์ตามแบบแผนซึ่งอาจจะไม่ตายจากเป็ดเ่าี้ที่มันใช้ชีวิตอย่างมีระเบียบคนเดินไม่น้อยเนี่ยใช้ชีวิตไปตามระเบียบแบบแผนที่ถูกกำหนดใครกำหนดนะอาจจะเป็นสังคมก็ได้นะสังคมกำหนดนะเช่น เป็นเด็กก็เรียนหนังสือนั้งหาจากปถมแล้วก็ไปสู่มัธยมจบมัธยมแล้วถ้ามีปัญญาก็เรียนต่อข้อาหม้อทรายถามว่าข้มามหม้อทรายไปทำไมบางคนก็ไม่รู้เรียนคณะนี้ไปทำไมก็ตอบไม่ได้ ถ้าทตอบก็บอกว่าเป็นเพราะว่าหางานทําได้ง่ายมีรายได้ดีหรือใคยๆ เ, เขาก็เข้าคณะ น, นี้ถ้าเรียนเก่งพอเรียนแล้วก็ต้องพยายามให้ได้เกรดสูงๆถ้าได้เกรดนิยมยิ่งดีพอได้เรียนแล้วก็หางานทํางานที่ถทำก็ต้องเป็นงานที่มี เดือนเดือนสูงไรายได้มากแล้วก็ต้องมีรถมีบ้านแต่แล้วก็ต้องมีคู่แต่งงานแต่งงานเสร็จก็มีลูกแล้วก็พยายามจะหาเงินให้ลูกไปเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเพื่อจะได้ ข้าวหมออัยไลดังๆแล้วก็มีงานทําดีๆทำงานไปส่งลูกส่งเสียลูกให้เรียนหนังสือเสร็จแล้วพอลูกโตก็หาคู่ให้ลูกหรือว่าจัดเตรียมแบบแผนช่วยของลูกจัดเตรียมแบบแผนช่วยให้กับลูกจนกระทั่งตัวเองพอถึงวัยเกษียณเกษียณก็ ไปเที่ยวใช้ชีวิตเมืองกะทิใครๆก็ทํากันเสร็จแล้วก็ตายอันนี้มันก็เป็นแบบแผนของชีวิตที่ผู้คนจดนนไม่น้อยเนี่ยเดินตามนะบางทีจะเล่ามันเป็นสายพันชีวิตก็ไดนะ้เป็นสายพันช่วยที่หลายคนเนี่ย เลือกที่จะอยู่บนสายพานนี้โดยที่ไม่เคยตั้งคำถามเลย ว, ว่าสว่วนหนึ่งอาจจะต้องตายไม่ใช่อา่านสะช่วหนึ่งต้องตายบางคนก็อยู่แบบลืมตายใช้ชีวิตไปวันๆตามระเบียบแบบแผนที่สังคมกำหนด ก็ไปมันก็ไม่ตายจากเป็ดเหล่านี้นะเพลงก็เป็ดเหล่านี้เนี่ยมันดูเป็นระเบียบเรียบร้อยกว่าแต่ว่ามันก็มีแบบแผนที่ผู้คนเจอไม่น้อยเนี่ยก็เดินตามนีคนเราเนี่ยนะถ้าคิดสักหน่อยนะว่าเราจะใช้ชีวชิตไปวันๆหนึ่งเท่านั้นเหรอ เพื่อที่จะรอวันตายถึงเวลาตายก็ตายด้วยความทุกข์ทรมานเพราะว่านอกจากไม่เคยเตรียมตัวที่จะรับมือความตายแล้วเนี่ยบางทีอยู่มันคนลืมตายใช้ชีวิตไปวันๆและยิ่งไม่ใช้ช่วยให้มีคุณค่า จนเวลาจะตายมันก็เสียอกเสียใจว่าปล่อยชีวิตให้สูญไปโดยเปล่าประโยชน์กว่าจะรู้ว่าเราควรจะใช้เวลาที่มีอยู่เพื่อใช้ช่วยให้มีคุณค่ามันก็สายไปสวนะถ้าคนเราเนี่ยมันมีความสามารถมากกว่าเป็ดนะเรารู้ว่า สัมหนึ่งเราต้องตายแล้วเราก็สามารถจะรู้ต่อไปว่าชีวิตแต่ละวันเนี่ยมันไม่ควรอยู่ไปวันๆแต่ควรใช้ชีวิตมีคุณค่าเพราะถ้าชีวิตเราเนี่ยชีวิตเราจะมีคุณค่าได้เพราะว่าเราวางเป้าหมายชีวิตเอาไว้ในทางที่ดีงามคนจำนวนไม่น้อยเนียเน่ยอยู่ไปวันๆโดยที่ไม่ได้ มีเป้าหมายชีวิตอะไรเลยนอกจากอยู่ไปวันๆหรือว่าทำตามแบบแผนของสังคมอย่างที่พูดไปทำงานเรียนแล้วก็ทำงานหาเงินมีครอบครัวสร้างเนื้อสร้างตัวเสร็จแล้วก็ตายถ้าว่าชีวิตเราไม่มีคุณค่าเ่อ ถ, ถึงเวลา แต่ตายมันก็ทรมานนะเพราะรู้สึกเสียดายเวลาที่ผ่านไปบางทีมันอยากแก้ตัวแต่มันก็ถึงตอนนั้นก็แก้ตัวไม่ได้แล้วเพราะว่าอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วมันได้มาคิดได้ก็ตอนใกล้ตายแต่ถ้าคนเราเนี่ยเมื่อเรารู้ว่าชีวิตมันจะมีคุณค่าได้ต้องมีเป้าหมาย ถ้าเรารู้จักกำหนดเป้าหมายที่ดีงามเอาไว้มันก็ทำให้ชีวิตแต่ละวันนีมันมีคุณค่าขึ้นมาเรนนี่คนจนไม่น้อยเนี่ยพอกเกษียณแล้วเนี่ยเคว้งนะเคว้งเพราะรู้สึกว่าชีวิตมันว่างเปล่าไอตอนที่ยังไม่กเกษียณเนี่ยมันพอจะมีเป้าหมายนะเช่นถ้าเป็นในราชการก็ให้ได้ C8, C9, C10 ให้ได้เป็นอธิบดีเป็นประหลัดกระทรวงหรือเป็นหัวหน้ากองถ้ามีเป้าหมายมันก็ทำให้รู้สึกว่าชีวิตมันมีคุณค่าหรือว่ามีทิศทางแต่พอกเกษียณแล้วเคร่งเลยไม่รู้จะทำอะไรไม่รู้จะอยู่ไปทำไมยิ่งถ้าไม่มีหลานนะให้เลี้ยง ก็ยิงเครลงเข้าไปใหญ่คนแก่สมัยก่อนนี่ถึงแม้กเกษียณเออมันก็ยังมีหลานให้เลี้ยงมีหลานให้ห่วงใหญ่ตื่นเช้าขึ้นมาก็รู้สึกว่าเรามีเป้าหมายนะคือดูแลหลานดูแลให้เขามีความสุขหรือว่าให้การศึกษาเขาเพื่อให้เขามีความรู้แต่พอไม่มีหลานเพราะลูกไม่ยอมมี บุตงานก็ไม่มีเคว้งเลยแล้วก็อยู่แบบเงาหงอยแต่ว่าพอชีตมันเริ่มมีเป้าหมายนะมันก็เลยมมีคุณค่านะบางทีเป้าหมายไม่ต้องมีอะไรมากเลี้ยงหมาสักตัวแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็นึกถึงหมานึกถึงน้องหม า, น, น, มานึกถึงน้องแมวอยากจะพาไปเดินเล่น อยากจะดูแลเขาหลายคนเนี่ยพอมีน้องหมาน้องแมวมาเลี้ยงนี่มันมีช่วยชีวาขึ้นมาเลยนะจากเดิมที่หงอยเหงาหรื อ, อย่อว่าแต่น้องหมาน้องแมวเลยนะบางทีให้แค่ต้นไม้ไปหนึ่งต้นเพราะว่าช่วยดูแลหน่อยนะเมื่อคุณปูไว้บแปเก้าสิบเนี่ย ที่รู้สึกหงอยเหงาอยู่ไปวันๆนะพอมีต้นไม้ให้ต้องดูแลตื่นขึ้นมาต้องรดน้ำต้นไม้มันช่วยมันก็มีเป้าหมายนะเป้าหมายมันไม่ได้ใหญ่โตอะไรแต่ว่ามันมีความ่วงใหญ่ต้นไม้อยากจะดูแลเขาให้เติบโต มันก็ทำให้มีชีวิตชีวาขึ้นมาได้อันนี้มันเคยมีการทดลองนะว่าเนี่ยได้ให้คนแก่บาทพักคนชราก็ได้ดูแลต้นไม้ลดน้ำต้นไม้ได้ตัวเองเนี่ยมีความกระชุ่มกระชวยขึ้นมากเลยแต่ถ้าเป้าหมายของเรามันสูงกว่านั้นเน่มันก็ยิ่งทำให้มีชีวิตชีวาขึ้นนะ คนเราเนี่ยถ้าว่ารู้จักกำหนดเป้าหมายชีวิตที่มีคุณค่าเช่ น, ชนการทำประโยชน์ให้กับเพื่อนมนุษย์รวมทั้งการฝึกจิตให้เข้าถึงความสงบอันประเสริฐอย่างที่ท่าจ้าพุทธาบอกว่าชีวิตที่ประเสริฐชีวิตที่ ด, ดีคือชีวิตที่สงบเยืและเป็นประโยชน์ ถ้าเรามีเป้านะที่จะบรรลุถึงความสงบเย็นและมุ่งทำให้เกิดประโยชน์กับผู้อื่นมันก็ยิ่งทำให้ชีวิตเนี่ยมีความหมายขึ้นมาไม่รู้สึกหงอยเหงาไม่รู้สึกว่างเปล่าแล้วพอได้ทำแล้วนะมันก็มีความสุขพอมีความสุขแล้วถึงเวลาที่จะต้องลาจากโลกนี้ไป อย่างน้อยมันก็รู้สึกภาคภูมิใจในชีวิตที่ผ่านมายิ่งถ้าหากว่ารู้ไว้ต้องตายแล้วก็ฝึกจิตเอาไว้ในการที่จะรับมือความตายซึ่งได้แก่รับมือกับทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะความเจ็บป่วยหรือรับมือความสูญเสียพัดพราาของรักของห่วงยิ่งถ้าฝึกให้รู้จักปล่อยวางมันก็ช่วยทำให้ ไม่เพียงแต่ชีวิตมีคุณค่าถึงว่าเราจะตายนะมันก็ตายอย่างสงบไม่ทุกข์ทรมานถ้าคนเราเนี่ยมันสามารถจะทำได้ถ้าว่าเราใช้ถ้าเรามีสตินะใครควรชีวิตไม่ใช่อยู่ไปวันๆนะเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าเราเผลอเนี่ยเราก็คงมีชีวิตไม่ต่างจากเป็ดเหล่านั้น ถึงแม้ว่ามันจะเป็นระเบียบเรียบร้อยนะแต่ว่ามันเป็นการใช้ชีวิตแบบที่ไม่รู้ลงไม่รู้เลยนะว่าอะไรคือจุดหมายปลายทางของชีวิตและพอถึงพอปลายทางมาถึงก็ทุกทรมาน